วันนี้เป็นวันพระขึ้น15ค่ำเดือน9เดือน9เพนเข้าพรรษามาหนึ่งเดือนพอดีวันนี้แล้วก็ในพรรษาหลวงพ่อเองก็ได้ปรึกษากับคณะกรรมการของวัดออกเสียงตอนเช้าและเสียงตอนเย็นก็จะมีการออกทางสถานีวิทยุ เสียงธรรมเพื่อประชาชนวัดของเรา 107.25 เมกะเฮิรต์ออกเฉพาะวันพระตอนเช้าแล ะ, ะตอนเย็นเพราะฉะนั้นขอประกาศให้คณะทศชาญาิโยมลูกหลานสามสีอำเภออำเภอนายุงอำเภอน้ำโสมสุวรณภูหาสังคมปากชมแล้วก็สีเสียงใหม่ บางส่วนและก็บ้านผือบางส่วนฟังได้ในวันพระตอนเช้าคือออกจากวัดสถานีวัดป่านาคำน้อยของพวกเรา 107.25 เมตรแต่สงไม่ได้ไกลสงได้ประมาณ 3-4 สีอำเภอเพราะนั้นพอผู้ที่ฟังในวันพระที่จะรับสมาทานศีลอย่างยิ่งผู้สูงอายุ จะไว้พระสมาทานศีลร่วมก็ได้ทุกเช้าของวันพระจะเป็น8ค่ำส15าค่ำในพรรษาแล้วก็ตอนเย็นจะมีการไ้ายพระสวดมนต์แล้วก็ฟังโอวาดด้วยว่าทางฟังเทศหลวงพ่อจะได้กล่าวสัมมตธนญยกถาให้แข่คณะสัทธาญาติโยมเพื่อเป็นแนวทางเพื่อการศึกษา เพราะพวกเราถ้าหาว่าไม่ได้รับการศึกษาจะเป็นผู้เฉลียวฉลาดในธรรมะหรือว่าวิชาทุกอย่างจะเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้นั้นก็คงจะยากเพราะนั้นพวกเราจะต้องได้รับการศึกษาวิชาทุกแขนง ถ, ถ้าเราอยากจะรู้วิวธีการซ่อมลถเราก็ต้องไปเรียนรู้ถ้าเราอยากจะรู้วิวธีการในค้าขายเราก็ต้องไปเรียนรู้ ถ้าเราจะจะรู้เรื่องธรรมะเรื่องจิตวิญญาณเราก็ต้องได้เรียนรู้อีกเหมือนกันเพรฉะนั้นเราต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังหลายครั้งต่อหลายหนพวกเราก็จะรู้ได้เรียนรู้ได้ขณะนี้คณะศรัทธาญาติโยมจากญาตุรทิศมาร่วมกันเพื่อสมาทานศีลตอนนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานําสมาทานศีล โอกาสัมปธาสิเลนานิพุติงยันติตัสมาสิลังวิโสทาเยสัตวต่อนี้ไปคณะศรัทธา ญ, ญาติโยมโลูกหลานอยู่ในความสงบเดี๋ยวหลวงพ่อจะพูดอะไรให้ฟังเพื่อเป็นแนวความคิดเพื่อเป็นการศึกษา พ, พวกเราได้เรียนรู้ทางโลกมามากมายหลายอย่างแต่วันนี้มาเรียนรู้เรื่องวิชาธรรมะเดี๋วิชาทางพระพุทธศาสนาพวกเราควรจะเรียนรู้เพราะเราเป็นชาวพุท ธ, ทธมัมมกะพุทธบริษัทของพระพุทธเจา้าพระพุทธเจา้าท่านสอนอย่างไร ท, ท่านสอนพุทธทบริษัทของพระ อ, องค์อย่างไรหลวงพ่อจะได้นํามาย่อยเรียกว่ามาชี้นาให้แก่พวกเราแต่โดยมากครูบาอาจารย์ท่านก็จะแนะนําไปคนละอย่างกันแต่จุดมุ่งหมายก็คืออันเดียวกันเหมือนกับพวกเราหาเงินคนหนึ่งก็กรีดยางคนหนึ่งก็ทํานาคนหนึ่งก็ทําไร่ข้าวโพดคนหนึ่งก็มั่นสำปะหลังแต่จุดประสงค์ก็คือเงิน เพื่อต้องการเงินนี่ก็เหมือนกันค ร, ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำทำคำสอนของพระพุทธเจ้า8 4 0หมื่นสีพันระธรรมขันธ์สุดแท้แต่ท่านจะหยิบยกจุดไหนมาแสดงมาแนะนำมาบอกกล่าวให้แก่คณะศรัทธาญาติโยมจุดประสงค์ก็คือความถูกต้องคือความเป็นธรรมและก็เพื่อความสุขการอยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันอันนี้ก็คือจุดหมายปลายทาง ทำคำสอนจากนั่นก่อน แ, แนวลึกลงไปกว่านั้นอีกก็คือให้พวกเราสะแสวงหาบุญกุศลเข้าสู่จิตใจเมื่อจิตใจของเรามีบุญมีกุศลแล้วจะไปเกิดในภพภูมิใดก็เป็นภพภูมิที่อรวมสมบูรณ์ไม่ทุกยากลําบากเพราะในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านตรัสท่านบอกท่านกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกมากมายตลอดถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตา พวกเราท่านก็ได้ปฏิบัติแล้วก็ลงทุนปฏิบัติอยู่ในป่าดงพงภัยไม่รู้ว่าทำไหนภู ผ, ผาไหนให้ท่านไปภาวนาไปท่านไปพิสูจน์ว่าจริงไหมที่พระพุทธเจ้าว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญท่านก็ยอมรับกันทวนหน้าว่าตายแล้วเกิดแน่เพราะเหตุไรสิ่งที่ให้เกิดอยู่ในในตัวของเราเนี่แหละจะพาไปเกิดฮะ เ, เพราะนั้นขอให้พวกเราฟังเอาไว้ สิ่งเราเนี่ยะพว พ, พวกเราเพื่อการศึกษาการศึกษาก็ต้องฟังเอาไว้คือตั้งความเชื่อเอาไว้ก่อนถ้าว่าพวกเราไม่มีความเชื่อใน จ, ใจิตใจเหมือนกับเรามีตุ่มน้ำใบหนึ่งแล้วเราคว่ำปากลงในแผ่นดินแล้วก็เอาก้นมันขึ้นฟ้านะั่นะถึงฝนจะตกยังไงมันก็เข้าไม่ได้เพราะเหตุใดเพราะว่ามันไม่หงายรับฝน ใจของเราก็เหมือนกันถ้าว่าเราไม่มีความเชื่อในพระธรรมคำสอนไม่เชื่อในพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่เชื่อในบาปุญคุณโทษไม่เชื่อในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ลี้ลับคือสวรรค์พรหมโลกนิพพานอย่างนีน้ถ้าเราไม่เชื่ออยู่ในจิตใจเหมือนกับเราคว่มปากโอลงในแผ่นดินเราก็ไม่เชื่อ เ, เมื่อไม่เชื่อเราก็ไม่ ไม่ยินดีในการศึกษาเมื่อไม่ไม่ศึกษาเราจะรู้ได้อย่างไรในเมื่อเราไม่ศึกษาเพราะ น, นั้นอันดับแรกพวกเราควรจะเชื่อไว้ก่อนหลักของพุทธศ า, าสนาท่านสอนมันมีขั้นตอนหลายหลอย่างขั้นตอนในการสอนของพระพุทธศ า, าสนาอันดับแรกคือการอยู่ด้วยกันการอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะควรเราควรจะทำตัวอย่างไร อันนี้ก็คือจัดเป็นหมดสินนะจ๊ะถ้าจะว่าไปคื อ, คอกฎหมายกฎหมาย ค, คือการอยู่ด้วยกันการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นคณะต้องมีกฎ ก, ฎกติกาต้องมีกฎเกณฑ์นี่แหละเพราะนั้นหลวงพ่อเองก็อยากจะพูดจุดนี้อีกเหมือนกันเพราะว่าหลวงพ่อก็อยู่ในชุมชนอยู่กับพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าแต่พวกเราก็อยู่ในฐานะที่ว่ากำลังยากจนอีกต่างหากร ว, ว่ากกาลังยากจน ไม่ร่ำรวยเหมือนกับคนที่เขามีอยู่แล้วแต่ถึงยังไงความยากจนของเราเนี่ยถ้าเรามีความหมั่นความขยันมีความพร้อมขยันอยู่แล้วความจนของเราก็จะหมดไปถ้าพวกเรารู้จักวิธีการอย่างทุกวันนี้หลวงพ่อพปบิณธบาตหลวงพ่อก็ได้ถามไทยว่าเออพี่น้อง ล, กลูกหลานเป็นไงเศษยางขายกันยังไง หลวงพ่อก็ทำเพราะหลวงพ่ออยู่ในชุมชนอยู่ในกลุ่มของลูกหลานหลวงพ่อก็อยากจะรู้มันกันลูกหลานเขาก็บอกว่าโอ้กิโลหนึ่งห้าสิบกว่าบาทครับหลวงพ่อโอ้เกือบถงหกสิบยางแผ่นละยางแผ่นร้อยกว่าบาทครับหลวงพ่อเออนี่หลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อเออภาคภูมิใจว่าลูกหลานทางว่าลูกหลานรู้จักหาแล้วก็รู้จักเก็บแล้วก็รู้จักใช้เงินที่ได้มาเนี่ยก็คงจะมี ความเป็นไปได้ฐานะในครอบครัวก็คงจะดีขึ้นนะแน่นอนถ้าพวกเรารู้จักเก็บรักษาแต่ถ้าว่าลูกหลานของเราเมื่อได้เงินมาแล้วไม่รู้จักเก็บไม่รู้จักรักษาไม่รู้จักการใช้หลวงพ่อเองในฐานะเป็นหลวงปู่หลวงตาหลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาพี่ตกกังวลอีกเหมือนกันว่าเออลูกหลานเมื่อได้เงินมาแล้ว ล, ลูกหลานจะใช้ยังไงจึงจะให้เกิดประโยชน์ ต่อครอบครัวของตนเองถ้าว่าพวกเราใช้ไม่เกิดประโยชน์มันกลับเป็นโทษอีกต่างหากนะแต่บางคนลงทุนกรีดยางหลวงพอ่อลงคนกรีดยางแต่อยากจ ะ, ะมันเหนื่อยมันเมื่อยล้ากลับไปลงทุนซื้อยาบ้ามากินซื้อมากินเพื่อจะกรีดยางให้ได้มากอันนี้หลวงพ่อว่าลงทุนที่ไม่ถูกต้องนะลูกหลานคณะสัทธายาดโยมนะเพราะเหตุอไร ถ้าโบราณเขาบอกว่าได้เต่าเสียหมาเออคือหมานั้มันมีคุณค่ากว่าเต่าครอันนี้ก็เหมือนกันถ้าว่าเราได้เงินก็จริงอยู่เต่าเลยเราเสียคนเออเราเสียลูกเสียหลานเสียตเสียตัวเองเสียคนถึงจะได้เงินมาก็เถิดท่นีเงินเหล่านั้นที่ได้มา้วก็ต้องย่อยยับไปเพราะเหตุอะไรเพราะว่าเราติดยาเสพติดยาบ้ายาาไปเสียแล้วเออเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ ฝากไว้กับลูกกับหลานกับคณะสัตยา ญ, ญาติโยมทุกหมู่เหล่าด้วยที่ได้ยินได้ฟังน ะ, ะแล้วก็พร้อมกันพวกที่ขายยาโป่งยาบ้าก็เหมือนกันหลวงพ่อก็จะจะเตือนถ้าวันไม่ถูกกับตัวเองนะี่ยเมื่อขายไปแล้วไม่ถูกกับตัวเองตัวเองก็ยิ้มออกได้เพราะเหตุอะไรเพราะได้เงินเขาแต่ตามไม่จริงถ้ามาเจอกับลูกกับหลานกับสามีภรรยาของเรานะเราจะมีความรู้สึกอย่างไระ สิ่งเหล่านี้ก็ให้เอาหัวใจเขามาใส่ใจเราเหมือนกันนะหลวงพ่อว่านะไม่ใช่วบนเราจะเอาอย่างเดียวไม่ใช่นะต้องคิดนะเนต้องคิดคือบาปกรรมตรงนั้นมันจะมาเจอตัวเองอีกสักวันหนึ่งฮะเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับลูกหลานแล้วอีกส่วนหนึ่งเทนี่เมื่อได้เงินคําทรัพย์สมบัติมาแล้วเมื่อได้เงินมาแล้วเมื่อได้เงินขายยางมาแล้วขายมันมาแล้วททนี่ได้เงินมาแล้วก่านน่นะไอ้พวกมือดีเขาก็มาเล่นไฮแล้วก็ตบไฮโลในหมู่บ้านอีกเทนี่ มาเล่นการพนันอันนี้ก็ชาวบ้านบางคนก็ไม่รู้รู้เท่าไม่ถึงการเห็นว่าได้เงินง่ายก็ช่วยกันมาเล่นการพนันในหมู่บ้านอันนี้ก็คือความความหายยันหเหมือนกันในหมู่บ้านนี่หลวงพ่อก็จะจะเตือนลูกหลานทุกคู่ทุกคนอีกเหมือนกันอย่าไปมัวเมาในร้านเล่นการพนันถ้าเล่นการพนันอย่างนั้นแล้วเป็นหนทางแห่งความจิบหายพระพุทธเจ้าท่านว่ายอย่างนั้น อันนี้หลวงพ่อนำธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนานำธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านะที่มาบอกมากล่าวให้คณะสัทยาญาติโยมได้สั่งสอนบอกกล่าวให้ลูกหลานเนี่ยถ้าว่าหมู่บ้านใดก็ดีถ้าว่ามีการพันานในหมู่บ้านแสดงว่าผู้ใหญ่บ้านหรือว่าผู้ทรงคนรุ่นในหมู่บ้านไม่ปกป้องไม่ปกป้องลูกบ้านและหมู่บ้านของตอนเองปล่อยให้ชุมชนอื่นเข้ามา ทำลายทำลายหมู่บ้านของเราอันนี้สิ่งนี้ก็ฝากไว้กับพวกเราเหมือนกันอย่างวัดหลวงพ่ออย่างนี่แหละพระเนรของหลวงพ่อเนี่ยพระของหลวงพ่อเนี่ยสามสิบหองเนี่ยหลวงพ่อต้องดูแลว่าองค์ไหนทําอากับกิริยาอย่างไรผิดหลักพระธรรมวินัยอย่างไรหลวงพ่อต้องเมตตาหลวงพ่อต้องสั่งสอนต้องพ่อต้องพ่อต้องบอกกล่าวอย่าทำหนะ้าปกทันทั้งหลายอันนี้คือหลักธรรมวินัยนะ อันนี้ก็เหมือนการ น, นะหลวงพ่อว่าผู้เป็นผู้ใหญ่ในหมู่บ้านอผู้ทรงคนนวดนวดในหมู่บ้านก็ต้องช่วยกันดูอีกเหมือนกันในเมื่อมีการพนงการปันันสิ่งที่มันผิดกฎหมายแล้วก็เอากฎหมายมาพูดกันเอออย่าไปทนะําเนอะมันไม่ถูกต้องเนอะพี่น้องพี่น้องลูกหลานทุกคู่ทุกคนเนอะให้นะเคารพเนอะเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องปกป้องเป็นผู้ดูแลเอหลวงพ่อว่านะนี้ก็เหมือนกันนะั่นแะ หลวงพ่อเมื่อเป็นหัวหน้าวัดหลวงพ่อก็ต้องปกป้องดูแลลูกน้องคณะศรัทธา ญ, ญาติโยมที่มาเกี่ยวข้องหลวงพ่อก็จะแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวสิ่งที่มันผิดศีลธรรมหลวงพ่อก็บอกเอออบายยมุกนาเหตุเครื่องจิีพายนะในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูการเล่นเล่นการพนันพบคนชั่วเป็นมิตรเกียดค้านทําการงานอันนี้เป็นหนทางแห่งความจิีหายพระพุทธเจ้าท่านตรัส ท่านบอกไว้ทั้ง 2,500 กว่าปีมาแล้วเพราะนั้นเรานำมาคิดนำมาพิจารณามาทบทวนและมาใช้ในยุคปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้ก็ยังทันสมัยอยู่เพราะนั้นขอให้พวกเราลูกหลานทุกคู่ทุกคนนะที่ได้ยินเสียงสถานีวิทยุของหลวงพ่อเนี่ยขอให้คิดนะอ ย, อย่าไปโกรธให้หลวงพ่อไม่ได้นะหลวงพ่อที่สอนเป็นธรรมะนะถูกใครถูกเรานะ เอาใจเขามาใส่ใจเรานะเอาใจเราไปใส่ใจเขานะถ้าว่าเอาไปถ้าเราไปทําให้แก่เขาเขาเดือดร้อนเขามาทําให้แก่เราล่ะเราจหะหัวเราะอย่างนั้นใช่ไหมแหมมันโง่จะว่าอย่างนั้นหรอไม่ใช่นะไม่ถูกนะอคนเรามันก็โง่อย่างหนึ่งมันก็ฉลาดอย่างหนึ่งเหมือนกันนั่นแหะมันไม่โง่ทุกอย่างหรอกอมันโง่อย่างหนึ่งมันก็ฉลาดอย่างหนึ่งฉลาดอย่างหนึ่งมันก็โง่อย่างหนึ่งคนเราเกิดมาแต่ถึงยังไงเหลี่ยมที่มันโง่อของเขา เราก็พยายามสอนให้ฉลาดนะเมื่อเราโง่สถึงไหนที่มันเราโง่เขาก็พยายามบอกกล่าวเราเราจะไม่เราจะจะไม่ดีใจเหร อ, เ, อเราก็จะน่าจะดีใจเพราะเราเขามาบอกเรานะีอา่อันนี้ก็ขอฝากไว้กับคณะลูกหลานทุกคู่ทุกคนหลวงพ่อเป็นห่วงนะพ่อลูกหลานกำลังเดียวนี้กำลังเศรษฐกิจอำเภอนายูงน้มสมในทินของเราเนี่ยกำลังเฟื่องฟูพูดไปแล้วก็คือกาลังเฟื่องฟู เงินคําทรัพย์สมบัติกําลังหลั่งไหลเข้ามาก็คือสวนยางของเรานี่แหละถ้าลูกหลานอยู่ดีกินดีหลวงพ่อก็อยู่ดีกินดีไปด้วยเหมือนกันนะถ้าว่าลูกหลานอดอยากหลวงพ่อก็อดอยากไปด้วยเพราะฉนั้นหลวงพ่อเนี่ยอยากจะแนะนำเรือ่อสอนให้ลูกหลานอยู่ดีกินดีมีความสุขทั่วนหน้ากันทําไมหลวงพ่อจึงอยู่ดีกินดีเอาแตะกอนนะหลวงพ่อไปบินทบาทในหมู่บ้านนะ มีแต่ลูกหลานใส่ข้าวเหนียวคนแลกก้อนแลกก้อนหลวงพ่อก็ไม่ว่าอะไรเพราะลูกหลานยากจนน่ะแต่เดี๋ยวนี้ลูกหลานใส่บาทมีขนมบังมีนมบังใส่บาทหลวงพ่อโอ้ดู้สึกว่าหลวงพ่อก็อู้ฟู่เหมือนกันน่ะลูกหลานน่ะแต่ถึงยังไงท่นี่ถ้าว่าหลวงพ่อไม่บอกไม่กล่าวนะลูกหลานติดการพนองพนันงอมแงมไปหมดท่านี่ขายไล่ขายสวนหนีหมดท่นี่แล้วหลวงพ่อจะทํำยังไงท่นนี่หลวงพ่อก็ต้องยากจนอีกเหมือนกัน เพราะนั้นหลวงพ่อก็ต้องปกป้อง เ, อเงินคําทรัพย์สมบัติช่วยลูกหลานเหมือนกันเออลูกหลานเอย เ, เดือดลูกหลานเดินทางมาถูกต้องแล้วเดี๋ยวนี้ถูกต้องแล้วไม่ให้หมันให้กรยันนะแต่ถึงยังไงก็อย่าอย่าไปลุ่มหลงในอบา ย, ยมุกและก็อย่าไปลุ่มหลงในยาเสพติดนะอ้อเพราะยาเสพติดอย่างที่พ่อหลวงพ่อได้ว่านั่นน่ะได้เต่าเสียหมาฮะ เมื่อเราได้เงินได้คําก็จริงอยู่แต่เสียคนเสียเรานั้นมันไม่คุ้มค่ากันนะนี่แหละอันนี้ก็ขอให้ลูกหลานฟังเอาไว้นะการที่หลวงพ่อพูดเนี่ยไม่ใช่ว่าหลวงพ่อจะเน้นหนักจุดใดจุดหนึ่งใครบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคล้ายๆว่าเป็นพูดกล่าวให้พวกเราท่านทั้งหลายย้อนมาหาตัวเองว่าที่หลวงพ่อพูดเนี่ยถูกไหมถ้ามันถูกก็ควรจะปรับปรุงแก้ไข การกระทำของเราจากนั้นเราก็จะเป็นคนคนดีผลละเมืองดีครอบครัวของเราจะร่มเย็นเป็นสุขลูกหลานของเราเกิดขึ้นมาแล้วก็ส่งไปล่ำไปเรียนเรียนสูงขึ้นมาแล้วกันะเราก็มีความสุขไม่ใช่เหรอแต่ถ้าว่าพวกเรามีแต่การพนงการพนันเต็มบ้านเต็มเมืองลูกหลานของเราติดยาบงยาบ้าคันชายาฝิ่นยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมดพวกเราจะมีความสุขเหือในชุมชนของพวกเรา เพราะนั้นหลวงพ่อเองก็อยู่ในชุมชนของลูกของหลานของคณะสัตยา ญ, ญาิโยมหลวงพ่ออยากจะให้สงบร่มเย็นเป็นสุขนะอยู่ด้วยกันด้วยความผาสุขอยู่ด้วยความด้วยกันด้วยความเมตตาอยู่ด้วยกันด้วยความมีน้ําใจต่อกันถ้าพวกเรามีน้ําใจต่อกันไปณสถานที่ใดก็ไม่มีขโมยโพยโจรไม่มีคนที่จะมาคดมาโกงมาหลอกมาลวงพวกเราพวกเราก่อ อยู่เย็นเป็นสุขนะแต่ถ้าพวกเราขาดศีลธรรมในจิตในใจการเป็นอยู่พวกเราจะเดื อ, ด, อดร้อนเพราะนั้นวันนี้เป็นวันพระขึ้น15ห้าค่ำเดือน9ไแปลว่าเข้าพรรษามาก็หนึ่งเดือนพอดิบพอดีวันนี้ขอให้คณะทธาท ญ, ญาติโยมผู้ที่รักษาศีลหรือสมาทานศีลตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้ในพรรษานี้ข้าพเจ้าจะรักษาอุโบสถศีลทุกวันพระ หรือว่าข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้าทุกวันพระหรือข้าพเจ้าจะมาวัดทุกวันพระหรือข้าพเจ้าจะใส่บาตทุกวันพระนหรือข้าพเจ้าจะไหว้พระทุกวันพระหรือข้าพเจ้าจะไหว้พระทุกวันขอให้พวกเรารักษาสัจจะอธิษฐานของเราเอาไว้นะให้มีสัจจะในจิตใจคนที่มีสัจจะไปอยู่ในสถานที่ใดถิศใดคนนั้นจะเป็นคนที่เป็นที่ยอมรับของคู่คนทั้งหลาย ถ้าคนเราเลาะแหละและเลาหละเราเะเอ่ออะไรจะว่าอะไรก็ไม่เป็นอะไรอันนั้นแปลว่าหาความเชื่อถือไม่ได้ตัวเองก็ไม่เป็นที่ยอมรับตัวเองอีกต่างหากพูดอย่างหนึ่งแล้วไปอย่างหนึ่งทําอย่างหนึ่งแล้วไปอย่างหนึ่งแปลว่าคนขาดสัจจะนะเพราะฉะนั้นเรื่องสัจจะจุดนี้ก็จําเป็นสําคัญนะเพราะนั้นขอให้พวกคณะสัทธาโยด์ญาติโยมนะตรวจตราดูตนเองอย่าให้ขาดตกปกพ่องทุกวันพระ ที่เราได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้อย่างไรในพรรษา น, นี้นะข้าพเจ้าจะงดปุรีข้าพเจ้าจะงดสุราอย่างนี้เป็นต้นนะในพรรษานนะสิ่งไหนก็ตามที่เราได้ตั้งสัจจะอธิษฐานเอาไว้แล้วก็ให้เป็นไปตามนั้นเว้นเสียแต่อย่าไปตั้งสัจจะอธิษฐานในความชั่วเท่านั้นนะถ้าเราตั้งจิตอธิษฐานไปในทางชั่วข้าพเจ้าจะดื่มเหล้าวันละทุกวันพระเนไม่ได้ละอันนั้นแปลว่าผิด ตั้งตัวไว้ผิดเหมือนกันแต่ตั้งจิตอธิษฐานไว้ผิดนะอันนั้นไม่ควรจะเป็นอันนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิทิฏฐิอธิษฐานเหมือนกันะต่ถ้าสัมมาทิฏฐิอธิษฐานแล้วก็ต้องงดเว้นในสิ่งที่มันชั่วทั้งหลายทั้งปวงมันผิดกฎหมายบ้านเมืองนี่แหละขอให้พวกเราทุกๆท่านให้มีสัจจะคือความจริงจังและจริงใจแล้วก็พร้อมกันก็ให้มีศีลวันนี้ก็ได้รักษาศีลแล้วเนี่ย พระพุทธเจ้าจะงดเว้นในการฆ่าเพราะชีวิตเขาชีวิตเราอันธินาทานเราก็ไม่ขโมยของคนอื่นเขาขโมยของเขาขโมยของเรารุปแล้วก็คือสินห้าของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสเอาบอกเอาไว้บัญญัติเอาไว้เนี่ยคือเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาถ้าเราไปฆ่าเขาล่ะถ้าเราไปขโมยเขาล่ะถ้าไปถ้าเราไปละลาบละล่วงสามีภรรยาลูกหลานของเขาล่ะเขาเสียใจม ถ้าเขามาให้ทําให้เราล่ะเราเสียใจไหมสรุปแล้วก็คือศีลและธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ไม่ได้อยู่ไกลเลยอยู่เขากับเราท่านเองถ้าเราไม่ชอบเราก็ไม่ควรจะทําให้คนอื่นเขาถ้าเราชอบจิงไหนที่เป็นประโยชน์เอเราก็ควรจะอยื่นให้เขามีน้ําใจต่อเขาเนี่แหละอันนี้ก็คือศีลแต่ศีลข้อต่อไปนะใช้คำว่าศีลหกศีลเจ็ดศีลแปดนั้นอะ่ะอันนั้นเป็นศีล เพื่อกันกําจัดความโรคความโลภความโกรธความหลงในจิตในใจของเราอ่านั้นคือความโลภความโกรธความหลงของเราเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะสัตยาติโยมทุกคนนะเรื่องศีลธรรมของพระพุทธเจ้ามีความหมายสําหรับพวกเราแต่เน้นมาพูดถึงเรื่องสมาธิทีนี่ยศีลสมาธิแต่หลวงพ่อได้พูดเบื้องต้น ย้อนไปอีกเบื้องต้นว่าเรื่องการเป็นอยู่ของพวกเราเนี่ยการทำมาหาเลี้ยงชีพอยากไปเล่นการปนองปนันแล้วก็เป็นคนดีอย่างนั้ น, นอันนั้นถ้าจะว่าไปก็คือกฎหมายถ้ากฎหมายก็คือศีลนีอันนั้นคือหลวงพ่อพูดเรื่องของศีลทั้งหมดจนมาถึงศีลห้าเนี่ยอันนั้นคือศีลและสมาธิทีสมาธินี่หลักของพุทธศาสนาคือท่านสอนให้ เป็นแนวความคิดทางด้านจิตใจคิดยังไงมันจึงจะถูกต้องคิดยังไงมันจึงจะ เ, เป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะนั้นให้พวกเราไปตั้งอยู่ในแนวความคิดให้คิดให้ดีและจะคิดให้ดีนั่นจะทำยังไงเพราะพวกเราเนี่ยมันแต่ละวันเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราจับไม่ได้มันคิดเรื่อยเ ป, ปเื่อยไปเรื่อยคิดแต่ละวี่แต่ละวันแต่ละเวลาเนี่ยนี่แหละอันนี้แหละท่านบอกว่าให้ทาสมาธิ ทำสมาธินั้นทำอย่างไรเนี่ยหลวงพ่อเคยบอกกล่าวนะเวลานั่งสมาธินั่งเหมือนพระประธานที่มองต่อหน้าของพวกเรานะเนี่แหละคือนั่งสมาธิหรือจะนั่งจากนั่งเก้าอี้ก็ได้ท่านก็ไม่ได้ว่าว่านั่งแบบที่แหละคือนั่งสมาธิไม่ใช่ถ้าวันนั่งสมาธิอย่างนี้เถอะนั่งเหมือนพระพุทธรูปนั่งนี่ก็เถอะแต่พอนั่งเสร็จแล้วเคลียดไปเรื่องอื่นเลื่อยเปื่อยไปเรื่อยจนหาที่จุดที่จุดที่จบไม่ได้ อันนั้นก็ไม่ชิด ไ, ไม่จัดฟันนั่งสมาธินะนั่งคิดนั่งปรุงนั่งฟุ้งนั่งสานบางอยนานงะนี่ยคิดปรุงฟุ้งสานบา่างเนนะี่ยเพราะนั้นถ้าเราจะนั่งสมาธินะคือพยายามตั้งจิตอธิษฐานอีกเหมือนกันนะข้าพเจ้าจะกาหนดลมหายใจเข้าออกจะไม่คิดไปทางอื่นนะไม่ให้ใจิตใจส่งไปทางอื่นให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกเท่านั้นนะอันนี้แหละเวลานั่งเสร็จแล้วก็ จากนั้นก็หายใจเข้าพุทธละหายใจออกโทพุทโทพุทธโทหรือว่าเราจะบริกรรมพุทธโทพุทโทพุทโ ท, ท, โ ท, ท, โทในจิตใจเอาจิตใจของเราน่ยที่มันปรงฟุง้งน่ยที่มันคิดไปทางอื่นให้มันบริกรรมพุทโทให้ถี่ยิบนะฮไม่ให้มันมีช่องออกฮะมิคือไม่ให้มันมีช่องที่จะคิดไปทางอื่นนะอันนี้ก็ได้นะอันนี้แหละพิธีการทําสมาธินะเมื่อทําสมาธิเราได้อะไรในเมื่อทําสมาธิแล้ว ผลที่ได้ก็คือจิตใจของเรามั่นคงจิตใจของอยู่อยู่กับตัวเองเราจะคิดเรื่องอะไรก็เป็นชิ้นเป็นอันมันจะไม่ปุบไม่ฟุ้งไม่สั่นถ้าคนไม่มีสมาธิในจิตในใจพวกเราเห็นไหมคนขาดสติมากๆนะเออเดินโตเตเป็นไปหมดผมยาวๆนะหาบของพรลุงพลังข้างถนนนันะ่นคนขาดสตินะนะั่นนะดูเหมือนกับคนกินเหล้าเมาเมาเหล้าเมาสุราเนะ่เออเฮฮาไปเรื่อยไม่รู้จักอะไรตมีอะไร ถ้าเมามากๆก็ไปอย่างนั้นนอนมดจำเรและเนรนาฏไปเรื่อยเพราะะเพราะเมาขาดสติอย่างมากเคนขาดสติน้อยเมาน้อยอีกอย่างถ้าเมามากมันเป็นอีกแบบห น, นึ่งคนขาดสติน้อยเองคนขาดสติมากอเองแต่หลักของพระศาสนาพระพุทธเจ้าว่าคนเราเนี่ยจะให้มีสติสมบูรณ์บริบูรณ์ร้อยเปอร์เซนเป็นไปไม่ได้ เ, เว้นแต่เว้นเสียแต่พระอรหันต์พระอรหันต์มีสติเต็มที่มีสติบริบูรณ์ พระหารไม่เผลอแต่พวกเราสามัญชนทั่วไปนี่ไม่ขาดมากก็ขาดน้อยแต่ข้อสําคัญพวกเราอยากให้มันขาดมากจนเกินไปนะถ้าขาดมากเกินไปก็เสียศูนย์นะเพราะฉะนั้นพวกเราควรจะฝึกยังไงฝึกสติให้อยู่กับตัวเอง น, ะนี่แหละในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านก็สอนสอนให้ฝึกสติให้อยู่กับตัวเองให้บริกรรมพุทโธพุทโธก่อนหลับก่อนนอ น, น, นเวลาจะนอน เวลาเราจะพักผ่อนหรือว่าตื่นนอนเราปิดวิทยุโทรทัศน์โทรศัพท์อะไรไว้เรียบร้อยซะก่อนนะเราจะนั่งภาวานาสัก30นาทีนะแล้วก็ปิดไว้ซะก่อนเราไม่ต้องพิจกกังวลแต่เราถ้าเราเปิดโทรศัพท์เอาไว้นะเราก็ยังมีความหวังนะบางทีมันกลิ้งขึ้นมาเราขนณะนั่งสมาธิก็เสียสมาธิของเราได้เพราะฉนั้นขณะที่เรานั่งสมาธิเราปิดปิดโทรศัพท์ไว้ก่อนให้เป็นตัวของตัว ที่สุด ง, งนเถอะให้เป็นเอกเทศที่สุดให้เป็นส่วนตัวที่สุดนะในขณะที่นั่งสมาธิไม่ให้มีวิตกกังวลอะไรทั้งหมดนะเวลานั่งสมาธินะเพราะนั้นหลังจากนั้นเราก็นั่งบริกรรมพุโทโธพุโทโธอันนี้แหละคือเอาอาหารเข้าสู่จิตใจอาหารกายนั่นก็คือข้าวน้าโภชนาอาหารส่วนอาหารจิตใจนั่นคือธรรมะคือจิตสงบถ้าจิตที่มีพลังจิตจิตที่สงบดีแล้วมีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสุข เมื่อจิตสงบนิ่งลงไปจะรู้ได้ด้วยตนเองอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเปิองต้นว่าศรัทธาคือความเชื่อว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วศูนย์นั่งสมาธิเท่านั้นนจะเป็นเครื่องพิสูจน์จะเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วศูนย์ถ้าเราจะนึกเดาเอาคาดคะเนเอาอ่านตำรับตาราเอาหรือฟังคนอื่นเอาไม่มีทางที่จะมั่นใจยิ่งกว่าการทําสมาธิถ้าเรานั่งสมาธิจิตใจของเราสงบนิ่งฮะ อย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาท่านไปภาวนาอยู่ที่ภูผาป่าไม้ท่านภาวนาจิตใจรวมสงบเมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วท่านจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าเอออันนี้ร่างกายนี่เป็นอันหนึ่งส่วนจิตใจนั้นคืออันหนึ่งแต่ทั้งสองอย่างนี้อาศัยกันอยูนะ่เพราะนั้นขอให้พวกเรา ท, ทุกท่านนะเมื่อลมหายตายจากไปแล้วนะเมื่อล้มหายตายจากเมื่อเราตายไปนะ ร่างกายในถูกเผาไฟแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นแต่นามธรรมาคือจิตใจนะั้นจะออกจะออกจากร่างนะจะออกจากร่างกายของเรานะออกไปปฏิสนที่ในภพภูมิต่างๆแต่ว่าก่อนที่จะออกไปนะ่ะในหลักของพุทธศาสนาในธรรมคำสอนของพระพุทธเจนะ้าท่านบอกว่าตายแล้วไม่สูญมันออกจากร่างไปได้อถ้าใครทำกรรมดีกรรมดีจะพาไปอีกช่องหนึ่งถ้าว่าทายใครทำกรรมชั่ว กรรมชั่วก็จะพาไปอีกทางนึงมันมีสองทางดีกับชั่วเหมือนกับเหมือนกับดํากับขาวอย่างนั้นนะเออเออมืดกับสว่างอย่างนั้นถ้าว่าคนทํากรรมชั่วมันก็ไปทางมืดถ้าคนทํากรรมดีมันก็ไปสว่างเอ่อกรรมจําแนกให้พาไปกรรมคือการกระทําจําแนกให้พาไปแต่ถ้าเราทํากรรมชั่ ว, แ ล, วแล้วเราจะไปทางดีเป็นไปไม่ได้เออมันจะต้องเขา้าคุกเข้าตารางเหมือนกัน เราจะไปเดินอิสระเสรีไม่ได้เพราะเห็นไรเพราะไปที่ไหนก็ตำรวจเขาจะจ้องจับเข้าคุกอยู่แล้วนะเพราะอหไรเพราะทากับชั่วเนี่ยเพราะนั้นขอให้พวกเรา ท, ทุกท่านนะหลวงพ่อได้อ่านอ่านอ่านภาษาจีนเขาแปลเป็นภาษาไทยหลวงพ่ออ่านพปแล้วก็เออเข้าท่าเหมือนกันนะี่หลวงพ่อจะนำมาเล่าให้ฟังนำมาเล่าให้พวกเราฟังเพื่อเป็นแนวความคิดนะ เขาเขียนว่าภาษาจีไอภาษาเนี่ยเขาเขียนว่าเขาเขานำเรื่องทำคําสอนของ พ, พุทธาศาสนาเนี่หล่อสอนลูกสอนหลานของเขา เ, าเป็นาศ า, าสนาพุทธศาสนาแต่ตามจริงเป็นอย่างนั้นจริงๆน่ะในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วถ้าเราศึกษาในพระไตรปิฎกมันเป็นเป็นอย่างที่เขาพูดเนี่แหละออ่านศึกษาในพระไตรปิฎกก็เป็นอย่างพูด เ, เพราะฉะนั้นที่เขาพูดก็คือพูดในานามในแนวของพระไตรปิฎก ในหลักของพุทธศาสนาและก็พร้อม ก, กันก็คนที่ตายไปแล้วคนที่ตายไปแล้วฟื้นขึ้นมาเขาก็พูดอย่างอย่างที่ว่านี่อีกเหมือนกันและก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้ท่านเห็นท่านก็บอกเนะ่ยมันกล่ำ ม, มันต้องเป็นอย่างนี้นะอ่าอันนี้เขาเขียนเป็นตัวหนังสือออกมาเขาบอกว่ามีตาคนหนึ่งชื่อตาชายว่าไงเถอะนายชายว่าไงนะอายุเจ็ดสิบปีจากนั้นเขาก็ตายไปแล้วก็ ม, คมีคนหนุ่มอีกคนหนึ่ง ตายไปพอตายไปแล้วก็ยกมบรทูกเขาก็มันจะไปช่องไหนใช่ไหมมันไปช่องไปช่องชั่วหนึ่ง ย, ยมบรรทูกเขาก็คุมแกอะไรแบบนั้นอ่ะแล้วล็อกแขนทั้งสองข้างอลไวแบบั้นอ่ะเขาไปด้วยกันสองคนคนหนุ่มกับคนแกเ่เหมือนกันอ่อนคุมหนุ่มประมาณสักยี่ิบกว่ า, กวาเกือบสามสิบแต่คนแก่ในเอตู่ชายเนี่ยก็อายุประมาณสักเจ็ดสิบประมาณนั้นอ่ะเอเขาก็ล็อกแขนไปอถ้าว่าไป คนที่ไปสวรรค์เนี่ยไปทางสว่างเขาจะไม่ล็อกนะเขาจะเชิญไปเหมือนกันแตนั่งรถไปเชิญไปไปแล้วเกิดไปถึงที่แล้วก็จะไปแยกกันว่าคุณจะไปสวรรค์ชั้นไหน อ, อจ้าตุม้มภูมิมะลุคะเทวดาจ้าตุม้มตาวะจิงตุติตายามาก็ว่ากันไปเหมือนกันแ อ, อ่อันนั้นคือไปทางสว่างแต่ไปทางมืดเนี่ยเขาก็จะล็อกแขนไปอีกเหมือนกันพอไปถึงเขาก็ไปถึงที่ลานกว้าง เออที่ในตำราก็บอกว่าที่ลานกว้างเขาบอกเออโต้รอคอยอยู่ที่นี่นะเดี๋ยวถ้าได้ยินเสียงเขาเรียกเราค่อยขึ้นไปแต่นี้ก็ไอตู่ชายนะก็ไม่มีความคล้ายๆว่าไม่สบายใจอย่างนั้นเถอะคือชุนอยู่ในจิตใจอ่างั้นแต่ก่อนที่เอามาก็แบบเอามาแบบปุบ ป, ปับไม่บอกไม่กล่าวกันอะไรเลยเท่านั้ลักษณะนั้นอยู่ในใจมันไอตู่ชายเจากนั้นเขาก็เขาก็เรียกอา้าวนายชาย นามสกูลนั้นขึ้นมาได้อตู่ชายก็ขึ้นไปไปกับไปที่อนี่แหละอที่ที่พยาญงพราะเขาตัดสินน่ะตัดสินคดีความยมมาทูตเขาก็นั่งบันลังอย่างนั้ตู่ชายก็ขึ้นไปขึ้นไปก็เห็นยมมาทูตเขาเลยซัดเลยอ่างนั้นเถอะโบกเวกโบยวายอย่างนั้นยมมาทูตทากับผมอย่างนี้ได้ยังไงไม่เป็นธรรมสาหรับผมเลย ه, ก่อนที่จะไปเอาผมมาเนี่ยก็ต้องบอกผมสก่อนที่ภาระของผมมีตังเยอะแยะไปทั้งนี่ทั้งศีลทั้งพินัยกงพินัยกรรมบอกกล่าวมอบสมบัติอะไรผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยไปก็ลากผมมาเลยเนี่ยทำอย่างนี้ทำได้ยังไงแสดงว่าไม่ให้ความเป็นธรรมสำหรับผมแม้แต่น้อยนอตู่ชายโบกเว ก, กับยมยมมาโทษยมมาโทษนั่งแบบงวดง้งแลไวอ่างเถอะเออ ท่านก็ตบโต๊ะใส่เปียงเดีวยวกันเะอะอา่านี่รู้ไหมนี่เลยปราโลกนะั่นี่นะไม่ใช่มนุษย์โลกนะพูดอะไรต้องระวังระวังเาขาบอกแกมาแล้วบอกในตู้ชายมาแล้วไม่รู้กีก่ครั้งจำได้ไหมที่เขาเตือนไปจดหมายก็มีเตือนไปก็มีเอ๊ะทำไมไม่ไม่ฟังเขา ทางตู่ชายก็อ่อยลงมาเพราะมันไปปะโลกใช่ไหมงั้าบอกว่าท่านท่านครับที่ท่านเตือนไปท่านมีจดหมายไปนั่นแหอะผมไม่ได้รับเลยครับไม่ได้รับยังไงเราเตือนไปแล้วบอกไปแล้วคุณใส่แว่นเมื่ออายุเท่าไหร่ตู่ชายก็ระลึกได้เมื่ออายุห้าสิบครับในขณะที่ใส่มันเป็นอะไร ผมอ่านหนังสือไม่ออกครับผมอ่านหนังสือพิมไม่ออกแล้วก็ไปดูห น, นังมันตาลายครับผมก็เลยตัดแต่นั่นแหละจดหมายฉบับที่หนึ่งบอกไว้ยมปะทูตก็บอกว่านั่นแหละจดหมายฉบับที่หนึ่งเตือนไปแล้วถึงเข้าแก่แล้วนะแก่แล้วนะจดหมายฉบับที่หนึ่งแล้วเตือนอีกละครับเตือนฉบับที่สองเตือนฉบับที่สองนันนอะแต่แก่กินเลี้ยง เนีเมื่ออายุหกสิบใช่ไหมใช่ครับนั่นแหละไปกัดน้องไก่จนฟันหลุดเนี่ยแหละจดหมายฉบับที่สองเนี่ยให้ฟังเอาไว้เขาเตือนแล้วเนะ่ยเกิดมาแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเนอะบัตรนี้บัตรนี้มาถึงข่าวตายแล้วนะเขาก็ต้องออกมาเมื่อเขาเตือนแล้วแต่เราฟังไหมเอีในตูนชายบอกไม่ได้ฟังแล้วคิดว่าเป็นธรรมดาธรรมชาตินะออนั่นแหละ มันจะทำไม่ชาติได้ยังไงมันถึงจุดจบนะชีวิตของเรานะเพราะฉนั้นอย่าประมาทนะให้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้อย่าประมาทสมควรจะไปลงกระทะเหมือนนั้นอย่ามาโทษเขาบอกสมควรจะไปลงกระทะโอ้ยอย่าเอาผมไปลงกระทะเถือนครับผมก็ไม่ได้ทําความชั่วอะไรอย่ามาโทูเก็บอกไม่ได้ทําความชั่วอะไรทําไมฮตะแกนะั่นะนะเห็นไหม ยายหมอนนะอยู่ข้างบ้านตะแกนะเป็นคนแกนะจากนั้นก็ตะแกไปรับเงินช่วยคนแกช่วยเหลือคนแกรับเงินมาเขามาแล้วเนะ่ยไม่ส่งให้เขานะเอามาจ้างคนตัดหญ้าในบ้านตัวเองแล้วไม่ส่งเงินให้เขาเลยอันนั้นใช่ไหมเราไม่ได้ทำกรรมชั่วเราเขาโมยของเขาใช่ไหมตู่ชายนี่ยก็ยอมรับว่างันแต่ตัวเองไม่ได้ส่งให้เขาจริงๆิว่ากันแต่นั่นแหละ ทำกรรมชั่วแล้วปฏิเสธว่าไม่ได้ทำสมควรจะเอาลงไปหม้อกระทะจูนทอดน้ํามันใส่กระทะทองแดงเหมือนกันเ อ, เอาไปเอาไปโยมบรทูดเขาก็เลยสั่งให้ทหารเอาไปลงกระทะแต่นี้พอลงกระทะไปแล้วไอ้ชายหนุ่มคนนั้นที่ไปด้วยกันเ็า ก, ก็นั่งฟังใช่ไหมที่ยมบรรทูดลงโทษตู่ชายไปแล้ว แต่ในไอ้เน่นก็บอกว่าฮนะเธอทําอะไรเธอทําอะไรมากผมไม่ได้ทําอะไรครับเออผมก็ไม่ได้รับคําเตือนเหมือนกันครับเอนะอย่างที่ท่านว่าเนี่ยเพราะว่าตาผมก็ยังไม่เมิดนะฟันของผมก็ยังไม่หลุดเนะีนะ่ยนะผมท่านแสดงว่าท่านไม่ได้เตือนผมเลยท่านเอาผมมาเนี่ยแสดงว่าเบ็ดไม่เป็นธรรมโยมมรรทูดก็บอกการเตือนมีหลายทางมีหลายอย่าง เพื่อนของแกเนะี่ยที่เพื่อนสนิทกันเนะี่ยไปไหนโอ้เพื่อนสนิทของผมแต่าสามัยเป็นเด็กๆ เ, เล่นกันมาตลอดเขาเป็นโรคไตาตายครับเป็นโรคไตาวายตายครับนั่นแหละเราเตือนมันเตือนหลายทางนะเอตายไปแล้วทําไมเพื่อนตายขนาดนั้นทําไมไม่สํานึกอทําไมไม่ทําคุณงามความดีเอทําไมจึงละเลย เอ่จนไม่ได้สนใจธรรมะเชลเลยไม่ได้สนใจ บ, บาปบุญคุณโทษเชลเลยอันนั้นแหละคือความประมาทของเจ้าท่นี้ท่านก็เตือนไปสองสามอย่างเอาเถอะเจ้ายัางน้อยหนุ่มอยู่บาปกรรมก็ยังไม่มากไปไปหาเกิดซะต่อไปเมื่อเกิดแล้วต้องเป็นคนดีนะอย่าทํากรรมชั่วนะยมมาถูดก็สั่งจากนั้นเขาก็เลยปล่อยไปอไปหาเกิดวันนั้นเถะเนี่ยอันนี้ถ้านํามาคิด มาพิจารณาดูมันจริงนะไอ้ค้าว่าคนเราเกิดมาเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็มีที่สิ้นสุดก็คือความตายไม่ได้คือพูดทางนี้ทางนั้นพระพุทธเจ้าหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือถักหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้เอาความตายมาขู่กันบ้างนะะไม่ได้เอาความตายมาให้พวกเรากลัวแต่ให้พวกเราคิดเอาไว้พวกเรามีจุดจบ อยากจะทํากรรมสิ่งไหนที่มันไม่ดีก็ให้คิดเอาไว้สิ่งที่มันชั่วช้าเสียหายใครคิดเอาไว้เอ่ยอย่าไปเห็นแต่ความโลภความโกรธความหลงเห็นแก่ปากเห็นแก่ท้องเห็นที่ความชั่วช้าเสียหายมันไม่ถูกนะเอ่ตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกนะบาปบุญคุณโทษมีจริงนะนี่แหละคือหลักของพระพุทธศาสนาขอให้พวกเราคณะสัตยาติยมทุกหมู่ทุกเหล่านะ เ, เมื่อได้ยินได้ฟังที่หลวงพ่อพูดหลวงพ่อไม่ได้เอาความตายมาขู่ให้พวกเราน้อยอกน้อยใจหรือหมดกําลังใจไม่ใช่ให้พวกเราคิดเอาไว้เมื่อจุดนั้นมาถึงเราจะทํำยังไงเเหมือนกับ เ, เขาจะต้องบุกลุกบ้านของเราแน่ล่ะ เ, เราก็ยังสนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮากินเหล้าเมายาไม่ได้คิดวางแผนอะไรไว้เลยแต่พอศัตรูคู่อริบุกลุกเข้ามา ทำร้ายทำลายเราพวกเราจะเอาวิธีการจะเอาอยัางไงจะสู้กับสิ่งเหล่านั้นถ้าเราได้เตรียมพร้อมเอาไว้เราได้คิดเอาไว้ก่อนเราควรจะทําตนอย่างไรเมื่อวันนั้นมาถึง เ, เมื่อวันนั้นมาถึงเราจะทําใจอย่างไงเราจะคิดยังไงเราจะระลึกถึงอะไรในวันนั้นถ้าเราได้เตรียมการการเอาไว้นะ พอวันนั้นมาถึงเราระลึกถึงบุญคุณออบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้รักษาศีลได้ภาวนาได้ปฏิบัติพอ่อปฏิบัติแม่ได้เติดทุนบูชาบิดามารดาได้เคารพ บ, บิดามารดาออได้เลี้ยงดูบิดามารดาบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำนั้นขอให้มาเกื้อกูลหนุนข้าพเจ้าด้วยเทินคราวนี้เป็นครัง้งสุดท้ายของข้าพเจ้าแล้วนะอันนี้เราระลึกถึงอย่างนั้นบุญกุศลทั้งหลายที่เราได้ทําก็เข้ามาเป็นเครื่องเกื้อกูลหนุน พวกเราก็จะไปสู่ความสุขความเจริญนะออกจากภพนี้ชาตินี้ไปแล้วนะแต่ถ้าพวกเราไม่มีอันไหนที่จะเตรียมการเอาไว้มีแต่ความชั่วเสียหายเต็มไปหมดระลึกถึงที่ไหนไม่มีเลยความดีนะมีแต่ความชั่วทั้งหมดเต็มไปหมดสำหรับตัวของเราแล้วพวกเราจะหาที่พึ่งทางด้านจิตใจอย่างไร น, ะนี่นะพระพุทธเจาวว้า่าปุญญานิปะโลกัตสมิงปฏิทาโหนติปานินัง บุญย่อมเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกนาแอบกรรมชั่วอย่าทําเสยียเลยเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมเผาผ่านเมื่อภายหลังเพราะนั้นทํากรรมชั่วท่านก็ไม่ให้ทำนะอกะตศังลุกกตังเซยโยปัชชาตปฏิลุกกตังกรรมชั่วอย่าทําเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมเผาผ่านเมื่อภายหลังเพราะนั้นขอให้คณะทาญาทโยม ที่มารักษาศีลในวันนี้ทุกๆท่านนะเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็นําไปคิดนำไปไปพิจารณาบอกกล่าวแนะนําสั่งสอนลูกหลานตั้งแต่นุ่นล่ะตั้งแต่เริ่มต้น เ, เราหาเงินคําทรัพย์สมบัติได้มาด้วยความสุดจริตคือกรีดยางขายมันขายข้าวขายสิ่งของของเราพืชไร่ของเราได้มาด้วยความบริสุทธิ์ขอให้ใช้ให้เป็นอย่าไปใช้ลุยชูแชร์อย่าไปใช้ส่ลุยช่วยไลย อย่าไปเล่นการพนองป น, นันอย่าไปกินเหล้าเมายาอแล้วก็หมู่บ้านของเราก็เหมือนกนะันให้ช่วยกันดูแลปกป้องเหมือนกับหลวงพ่อดูแลวัดวาศาสนาดูแลวัดของหลวงพ่อเนี่ยนะให้เป็นผู้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมร่วมกันใจเขาใจเรา เ, เรื่องศีลหของพระพุทธเจานะ้าคือใจเขาใจเรานะไม่ใช่อื่นไกลนะจากนั้นหลวงพ่อสอนวิธีนั่งสมาธินะสมาธิทำอย่างไร จากนั้นหลวงพ่อก็สอนแนวความคิดว่ากล้ำชั่วฮะอย่าทำเสลยดีกว่าเพราะตู่ชายเขาได้รับกร้ำชั่วเพราะเหตุใดเขาจะไปโบกเบกปวยวายไม่ได้เพราะเหตุใดเพราะโยมมรรทุดเขาเตือนมาตลอดนะเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วแก่แล้วเป็นยังไงแก่แล้วเจ็บเป็นยังไงแล้วถึงจุดจบเป็นยังไงเมื่อจุดจบแล้วมันไม่จุดจบเพียงแค่นั้ น, นชีวิตเงิน นมามธรรมคือจิตใจของเรานั้นจะต้องไปสู่ประโลกภายภาคหน้าต่อไปเพราะนั้นหลวงพ่อได้กล่าวสมโมทรนิยกถาในวันนี้ก่อยเห็นมาสมควรกับการเวลาต่อนี้ไปคณะสงฆ์วัดป่านาํำน้อยของเราจะอนุโมทนาให้พรเป็นสิริเป็นมงคลสำหรับพวกเราต่อไป